เมื่อสักครูนะ่เราไดส้สาธยายทำตอนหนึ่งว่าเราทั้งหลายนะเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะความทุกข์ที่อยู่เบื้องหน้าเรานะก็เช่นความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพลาก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 หรือมีการซ่อมแซมนะในร่างกายเรานะมันมีเซลตายอยู่ตลอดเวลานะวันหนึ่งก็ตายถึง5 0า0มื่ถึงแสล้านเซลจำนวนมากทีเดียวนะแต่ว่าเราไม่รู้สึกเพราะว่ามันเป็นส่วนน้อยนะของเซลที่เหลืออยู่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 มันก็จะงอกขึ้นมาได้น้อยลงไปเรื่อยๆ อ, อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของความเสื่อมในร่างกายของเรานะที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่ว่าความเสื่อมเท่านั้นนะที่มันอย่างอยู่ในตัวเราความเจ็บความปวด ความปวดความเจ็บความเมื่อยอันนี้เนี่ยจะชัดเจนกว่าความเสื่อมความแก่นี่ต้องใช้เวลานานถึงจะสังเกตเห็นเนมื่อเหมือนเข็มชั่วโมงนะเราดูผ่านๆก็มันไม่กระดิกเลยแต่ว่าเข็มวินาทีเนี่ยมันจะเคลื่อนมันจะหมุนให้เราเห็น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 เพราะว่าความทุกข์นอกจากจะอยู่เบื้องหน้าเราแล้วนะก็ยังอยู่ติดตามตัวเราตลอดเวลาชาวพุทธเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วนี่ไม่ใช่เป็นผู้ที่มองโลกสวยเท่าไหร่นะโลกสวยก็คือมองว่าโลกนี้มันจะสดใสนะอนาคตจะช่วงโชติช่วงชัชวานนะแต่ว่าชาวพุทธเราไม่ได้มองอย่างนั้น เรามองว่าสุดท้ายปลายทางนะมันก็นก็คือความเสื่อมความแก่ความตายทั้งหล า, ายังติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาหลายคนยนึกว่าเออถ้าหากว่าคนเรานะไม่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วไม่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนี่มันคงจะดีไม่น้อยสิเดียวนะอคไม่รู้จักปวดไม่รู้จักเมื่อย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 ก็คือไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดเพราะว่ามันมีความผิดปกติทางเซลล์เ่าทางยีนก็ทำให้ประสาทการรับรู้โดยเฉพาะเรื่องความเจ็บความปวดเนี่ยมันหายไปเลยจริงๆไม่ใช่มีแต่เฉพาะปากีสถานนะมีทั่วโลกนะก็มีคนศึกษาไปคนไปวิจัยมาบอกว่าเนี่ยมีเด็กประเภทนี้เนี่ยหรือมีคนที่ไม่รู้จักเจ็บปวดเนี่ยมีเป็นร้อยนะ แต่ว่าที่ปากีสถานนี่ก็น่าสนใจได้ยินแบบนี้เราคงจะนึกอยากจะเป็นแบบเด็กเหล่านี้มั่งนะก็คือไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดชีวิตมันจะดีนะเสนอนีกอไรนะถ้าโดนน้ำร้อนก็ไม่รู้สึกร้อนนะโดนเข็มแทงก็ไม่รู้สึกเจ็บแต่ว่าถ้ามา รู้จักกับเด็กกลุ่มนี้นะเราออจะเปลี่ยนใจก็ได้คือเขาไปพบว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะซึ่งมีประมาณห7เจคนเท่าที่เขาค้นพบเนี่ยเนื้อตัวนี่เต็มไปด้วยแผลแล้วก็แทบทุกคนเลยเนี่ยนะจะปากแหว่งบางคนนี่ก็ลิ้นกุดนะมีบางรายนี่ลิ้นกุดไปถึงหนึ่งในสาม แล้วทาไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะเวลากัดฟันเนี่ยไอการกัดลิ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติคนเรานะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกเจ็บเนี่ยเราจะกัดไม่เต็มแรงนะพอฟันนี่มันกระทบลิ้นเนี่ยเราก็เจ็บแล้วเราก็หยุดทันทีแต่เด็กคู่นี้เนี่ยเขาไม่รู้สึกเจ็บนะเวลากัดลิ้นเนี่ยก็เลยกัดเข้าไปเต็มที่ กัเข้าไปเต็มที่แล้วเป็นแผลก็ไม่รู้สึกเจ็บอีกไม่กี่วันต่อมาก็กัดอีกนะจนกระทั่งลิ้นเนี่ยมันไม่มันไม่หายสักทีกัดไปกัดไปลิ้นก็ขาดลิ้นก็กุดนะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งลิ้นหายไปหนึ่งในสามมันไม่ใช่แค่ลิ้นนะเนื้อตัวก็มีแผล บางคนนี่ตามแข่งมีแผลใหญ่เลยแผลเป็นใหญ่เลยหรือบางทียังแผลไม่หายก็ยังมีเกิดจากการที่เวลาซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยเวลาแขร่งมันไปถูกท่อไอเสียเนี่ยท่อไอเสียมันร้อนอยนะ่างเด็กก็ไม่รู้สึกนะมารู้สึกจริงตอนที่ได้กลิ่นกลิ่นไหมมันอะไรบอกว่าแผลนี่ แค้งนี่เป็นแผลแล้วแผลใหญ่เลยแล้วพอเป็นแผลนี่ก็ไม่รู้จักรักษานะแล้วก็ไม่รู้จักระมัดระวังแค้งระวังขาไปเดินเตะอะไรก็ไม่เจ็บมันก็เลยเดินเตะถูกน่นถูกนี่แผลก็ช้าแผลไม่หายสักทีนคนพวกนี้นี่ดูเหมือนว่ามีโชคนะแต่ว่าดูๆไปนี่น่ากลัวว่าจะอายุไม่ยืน เพราะว่าเวลาเจอเจออะไรที่เป็นของแหลมเนี่ยก็ไม่รู้จักหลบโดนทิ่มก็ไม่รู้สึกเจ็บก็โดนก็ให้มันทิ่มหนักเข้าไปใหญ่หรือเวลาปวดเวลาเมื่อยก็แทนที่จะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนเรียบก็นั่งอยู่ท่า น, นั้นจนกระทั่งมันเสียไปเลยมือมีแผลแขนมีแผลแทนที่จะระมัดระวังทนุถนอมก็ใช้มันใช้อ่า จับคอนสมั่งหรือว่าจับเคียวเกี่ยวข้าวมั่งหรือว่าฮิ้วน้ำมั่งมันก็ยิ่งเป็นหาบาดลึกเผล่เพลิพนลิ้นก็จะไม่ใช่แค่ลิ้นอย่างเดียวนะนิ้วก็จะค่อยๆกุกดไปด้วยบางทีแผลมีนิดหน่อยนะไม่รักษาไม่หายยามาทาหนูก็ามาแทะนะกลางคืน อาตมานี่ยังเคยโดนหนูแทะเลยนะแทะหูนอนอยู่นะไม่ได้กลางงงนะกลางคืน ห, หนูมันก็มาแทะที่หูแต่ว่าเนื่องจากรู้สึกเจ็บก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็สะบัดนะไล่มันไปจากคนที่ไม่สุกเจ็บเนี่ยนะโดนหนูกัดก็ปล่อยให้มันกัดไปเรื่อยๆจนเป็นแผลแต่แล้ววันรุ่งขึ้นมันก็มากัดใหม่จนหูแหวงก็มี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 เงินที่มีก็ช่วยไม่ได้เลยแถมติดมอร์ฟีนเข้าไปอีกเพราะว่าหมอก็ให้มอร์ฟีนระงับปวดมันก็ระงับชั่วคราวแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าติดมอร์ฟีนกว่าจะรักษาให้หายจากมอร์ฟีนให้ยุให้เลิกมอร์ฟีนในก้นนามชีวิตนี้ก็ดูเหมือน่าหมดหวังและไอ้ไมเกรนเนี่ยแต่บังเอิญก็มีคนแนะนำว่าลองไปทาสมาธิสิ ที่พม่านี่ก็มีครูบาอาจารย์ด้านสมาธิหลายคนที่เป็นคารวาดก็มีชื่ออยู่อย่างเช่นทนอูบาคินเป็นข้าราชการชั้นสูงแต่ว่าสนใจสมาธิภาวนาอาจารย์เกยงกากไม่สนใจนะไม่ศรัทธาเรื่องสมาธิแต่ว่าไม่มีทางไปแล้วก็เลยอลองไปนั่งสมาธิดูประมาณ10วันนะคอร์สหนึ่งประมาณสิบวัน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 ไม่มีความสงบใจเลยแต่ว่าพอเลิกจากธุรกิจมาปฏิบัติธรรมนี่ได้ค้นพบความสุขที่ประเสริฐยิ่งไม่ใช่แต่คารวานนะพระบางรูปนี่ท่านมาพบธรรมมากจริงๆนี่ก็ตอนที่เจ็บป่วยนะอันนี้ก็แปลกอย่างสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโซ่เนี่ยนะท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะ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 พระป่าสายอาจาร์มั่ น, นกาลังกำลังขยายตัวเวลาท่านได้ข่าวว่ามีพระสายอาจารย์มั่นหรือสายวัดป่าเนี่ยมาเข้ามาอยู่ในเขตปกครองท่านนี้ท่านจะไม่พอใจมากมีชื่อท่านเป็นเจ้าคณะมนตรอีสานะสมัยก่อนนี่นเราปกครองแบบมนตร น, นะสมัยการที่ห้าถ้าการที่หกเจ็เนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะมนตรอีสานได้ได้ข่าวว่ามีพระลูกศิษย์ของหลวง หลวงปุสิงขันทยาคาโมหลวงปุสิงหท่านก็เป็นเป็นสายธรรมของหลวง ป, ปู่มัน่นมาจาริกอยู่เถวเขตปกครองของท่านทีนท่อุบลท่านก็สั่งให้เจ้าคณะอำเภอขับไล่ออกไปท่านไม่ศรัทธาพระป่าเพราะว่าไม่อยู่ประจำที่แล้วก็ไม่ศึกษาปติธรรมแต่ว่าท่านมาเปลี่ยนความคิดนะ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 ยาแผนใหม่รักษาไม่หายพอมาทำสมาธิเราก็เลยศรัทธาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดความเคารพศรัทธาในอาจารย์มั่นเพราะเห็นว่าขนาดลูกศิษ์นี่ยังเก่งขนาดนี้ครูบาอาจารย์นี่จะขนาดไหนให้ความเจ็ป่วยมันสามารถที่จะผลักให้เรา เ, เข้าหาธรรมหลายคนเป็นมะเร็งนะไม่รู้ ว่าจะเป็นตายแล้วดียังไงการแพทย์แผนใหม่ก็ไม่น่าไว้วางใจไม่สามารถจะเป็นหลักประกันได้ร้อเอซให้ความกลัวตายก็ทำให้หันมาสนใจธรรมะ<ส>เพื่อช่วยทำให้สงบใจพอได้พบกับความสงบนะจากการปฏิบททัติธรรมพอได้รู้ถึงจุดหมายของชีวิตคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเมื่อได้ศึกษาธรรมแล้วเนี่ย บางคนก็ถึงกับออกปากอุทานขึ้นมาเลยว่านะโชคดีที่เป็นมะเร็งขอบคุณมะเร็งนะที่ทำให้จะมาพบธรรมะจริง น, น ถ, ถ้าไม่เป็นมะเร็งนี่ก็คงจะไม่ได้เจอธรรมะเลยนอกจากความเจ็บป่วยและความพัดพลาดนี่ก็เป็นตัวผลักชั้นดีเลยนะผลักให้ข้อหาธรรมะได้ ในชาวพตทการก็มีตัวอย่างเยอะมากเลยนะตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสันติอัมมานะสันติอัมมานี่ก็เป็นอัมมาตคนสนิทของพระเจ้าเปรสันิโกสนเมื่อวานนี้ก็พูดถึงพระเจ้าเปรสันิโกสนไปครั้งหนึ่งแล้วสันติอัมมานี่นะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของพระเจ้าเปรสนิโกสนมากทำความดีความชอบถึงกับมอบราชบัลลังก์ให้ปกครอง เจ็ดวันนะมีนะให้เป็นกษัตริย์อยู่เจ็ดวันนะเพื่อตอบแทนความดีความชอบสันติธรรม ก, ก็ดีใจนะเลยก็เลยเสพสุขเลี้ยงฉลองกันเป็นการใหญ่ไอ้เจ็ดวันเนียไม่ได้ว่าราชการอะไรเลยนะเลี้ยงฉลองเพราะว่าล่ามาถึงตัวแล้วนะก็เสพสุรายาเมานะ เลี้ยงกันอย่างอินน้ำสำราญและที่สำคัญก็มีก็คือมีการาให้นางฟ้อนรำมาฟ้อนให้ดูตลอด7วันนะโดยเพราะมีนางมีหญิงคนหนึ่งนะเป็นที่โปรดปรานมากก็ให้ฟ้อนรำเนะี่ยเช้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันเย็นก็มีเรื่องเล่าว่าพอวันที่7เนี่ยวันสุดท้ายของการที่จะได้คลองลาก นะ่ะสันติธรรมอาจ ก, ก็ไปส่งน้ํานอกเมืองสมัยก่อนนี่นิยมส่งน้ํากันในศาลนะก็ไปพบพระเจ้ากำลังเดินผ่านมาก็ไหว้สักการะพระเจ้าอย่างนอบน้อมแต่ก็ไม่ได้สนทนาอะไรกันนะี่สันติธรรมอาเสร็จแล้วก็ไปฉลองต่อไปดูนางสนมเออไปดูนางกํานันฟ้อนรานมบอกว่า หญิงคนโปรดนี่ฟ้อนมา7วัน7คืนหมดสภาพเป็นลมล้มตายต่อหน้าตอนจะเตรียมมานีิตกทั้งตกใจแล้วก็เสียใจนะว่าคนโปรดได้ตายจากไปต่อหน้าตาแล้วก็รู้สึกผิดได้ว่าตัวเองมีส่วนทำให้นางตายหายเมาเลยนะความเมานี่หายไปแล้วก็เศร้าโศกเสียใจมาก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 จิตก็จะสงบนะเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเป็นสุขพอผู้เจ้าจัดจบเท่า น, นี้แหละสันตติอามานี่ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยเนะเป็นพระอรหันต์ทั้งที่เมื่อสักครู่นี่ยังเมามายอยู่เลยแต่ว่าที่บรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะว่าได้เจอความเศร้าได้เจอความพัดพลาดนะ ได้เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นนะสิ่งที่พระเจ้าสอนคืออย่าไปยึดมั่นในขันท่าอย่าไปยึดมั่นในรูปใบหนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองความทุกข์ที่สันตติอามาตยได้ประสบด้วยตัวเองนะเมื่อสักครู่นี้นะมันทำให้เห็นธรรมะของพระองค์อย่างจําแจ้งเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยวางทันทีนะจิตก็หลุดพ้นเป็นพระหรัน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 เป็นเหตุหรือมีส่วนทําให้ลูกตายพราะถ้าเธอไม่อนเนื้อให้ลูกไปลูกก็ไม่ไปตายที่นั่นก็ได้แต่โทษตัวเองเนี่ยฉันไม่น่าเลยนะไม่น่าอนุญาตให้ลูกไปเลยความรู้สึกผิดมันกัดกินใจมากนะจนเรียกว่าแทบไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยตอนหลังก็มีเพื่อนแนะนําว่าเนี่ยเหตุาการณของเธอแล้วก็แนะนําว่าไปปฏิบัติธรรมดีกว่า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 เมื่อได้เห็นความจริงแบบนี้ก็เริ่มทําใจคลายความเศร้าโศกกายจากการการที่ได้ปฏิบัติทําได้เจริญสติก็ทําให้ได้รู้เท่าทันอยความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นโดยพราะเวลามีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นเวลามีความคิดอะไรหรือว่าซ้ําเติมตัวเองโทษตัวเองก็รู้ทันความคิดนั้นเมื่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ความรู้สึกผิดมันก็เกอบกินใจไม่ได้ สุดท้ายเธอก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นปกติและปรากว่าชีดนี้จิตใจสงบกว่าเดิมเป็นสุขกว่าเดิมสุขกว่าตอนที่ยังไม่สูญเสียลูกซิอ่ะเธอถึงกับออกปากว่านะขอบคุณนะขอบคุณลูกนะที่ทำให้แม่ได้มาพบธรรมะลูกไม่ได้ช่วยทำให้แม่พบธรรมะตอนที่ลูกมีชีวิตอยู่นะแต่ว่า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 เอาทุกเนี่ยเป็นอริยสัจข้อแรกเป็นความจริงอันประเสริฐข้อแรกนะเป็นความจริงอันประเสริฐนะไม่ใช่เป็นความจริงที่เลวร้ายดํามืดนะแต่เป็นความจริงอันประเสริฐเนี่ยทุกนี่แหละอริยสัจอีก3ามข้อเนี่ยเราจะเข้าถึงไม่ได้เลยนะถ้าหากว่า ไม่เจอทุกข์แล้วก็ไม่ผ่านทุกข์จะเรียกว่าทุกข์เนี่ยเป็นประตูสู่ธรร ม, มะที่ลึกซึ้งก็ได้เราจะเข้าใจสมุทยัยเราจะเข้าถึงนิโรธแล้วเราจะเจริญก้าวหน้าในองค์มรรคเนี่ยก็เพราะเราเจอทุกข์ก่อนถ้าไม่เจอทุกข์เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะไปถึง สมุทัยนิโรธมักได้แต่บางคนเจอทุกแล้วก็ติดตันอยู่แค่ทุกนะไม่ผ่านไม่ผ่านไปเจออริยสัจอีก3ข้อหลังแต่ถ้าว่าคนที่ฉลาดเนี่ยนะเมื่อเจอทุกแล้วเนี่ยเขาก็จะอาศัยทุกเนี่ยเป็นตัวผลักให้ข้อหาสมุทัยนิโรธแล้วก็มักได้ที่จริงอย่างที่บอกไว้แล้วว่า ทุกเนี่ยมันเป็นตัวผลักให้เข้าหาธรรมแต่ว่าในตัวทุกเองเนี่ยมันก็เป็นธรรมะนะตัวทุกเองก็เป็นธรรมะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่าถ้ามองไม่เป็นก็เห็นว่าทุกเนี่ยคือข้อกรรมนะที่มาซ้ำเติมที่เราอยากจะหนีที่น่ารังเกียจน่าผักใส่แต่ถ้าเรารู้จักมอง ไอ้ทุกนี้ก็จะกลายเป็นธรรมได้มีพระอรหันต์จำนวนไม่น้อยเลยนะที่ท่านบรรลุธรรมในขณะที่มีความทุกข์อย่างเช่นพระติสเถระนี่ท่านเป็นโรคที่สังคมรังเกียจแห่ผู้พองเต็มตัวน้ำเหลืองไหลเยิ้มส่งกลิ่นเหม็นจนกระทั่งพระเนี่ยดูแลรักษาไม่ไหวพากันหนี พระ เ, เจ้าทรงทราบข่าวก็เลยเสด็จมาดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะเอาผาติวรที่เปื้อนน้ำเหลืองเปื้อนอุจจาระปัสสาวะนะเอาไปซักเอาไปต้มแล้วก็ตากนะพอเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำความสานะอาดดีวรแล้วเนี่ย พระติส่ทาทนก็รู้สึกดีขึ้นแต่ความเจ็บปวดทุกขเวทนาก็ยังรุนแรงอยู่เพราะฉะ น, นั้นทางใกล้มรณะภาพแล้วพระวิจาาแสดงธรรมสั้นๆว่าเนี่ยร่างกายนี้ไม่เที่ยงนอ้อมอีกไม่นานเมื่อวิญญาณลาจากร่างไป <c oughs> ก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดิน เหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้ท่านพิจารณาตามนะก็บรรลุธรรมเป็นพระรหันต์เลยแล้วก็บรุลุเรียกว่าหลุดพ้นในขณะที่จิตในขณะทีะ่สิ้นลมพอดีเรียกว่าสิ้นทุกข์พร้อมกับสิ้นลมอันนี้ต้องเรียกว่าเนี่ยถ้าท่านไม่เจ็บปวดไม่เจ็บปวยนะ ก็คงจะไม่เห็นรรมอย่างลึกซึ้งจงกนกระทั่งเห็นโทษของสังขารแต่ความเจ็บป่วยทําทให้ท่านเห็นโทษเราสังขารเป็นทุกข์มากยึดถือไม่ได้เลยพอเห็นความจริงแบบนี้เข้าเนี่ยจิตก็ปล่อยเลยนะพอปล่อยวางจิตก็หลุดพ้นจากความทุกขนะ์บรรลุอรหัตผลอันนี้เรียกว่าบรรลุธรรมเพราะความเจ็บปวด ภิกษุนีบางท่านก็เหมือนกันนะแกเดินก็ย่องก็แย่งนะดูหน้าหน้าเป็นห่วงมากจะขยับขยื่นแต่ละทีนี่ก็ลำบากมีคราวหนึ่งนะอยู่ๆก็เดินทั้งที่มีเท้ามีไม้เท้าค้ำอยู่แล้วก็ยังล้มตัวกระแทกพื้นเจ็บปวดมาก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 โมโหนะให้โกรธนะอันนี้มันจิตเป็นอกุศลนะถ้าเราปล่อยจิตแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราหันมาพิจารณาทุกนะมันก็จะเห็นทำได้ทันทีเลยให้ความแตกต่างอยู่ตรงนี้ระ ว, ว่าว่าเมื่อมีทุกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเป็นทุกหรือเราจะเห็นทุกนะกูบาจารย์ท่สอนว่าเนี่ย ทุกมีไว้เห็นนะไม่ใช่มีไว้เป็นความแตกต่างตรงนี้นะว่าเมื่อทุกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเห็นหรือเปล่าถ้าเราเห็นเราก็สามารถจะมองทะลุปไปถึงสมุทัยนิโรธมรรคได้แต่ถ้าเราไม่เห็นเราเป็นนะจิตก็เป็นอกุศลทันที แ้วถ้ า, ถ, าถ้าตายไปในภาวะจิตเช่นนั้นนี่ก็ไปอบายทันทีเลยแต่ถ้าเราหากรู้จักมองจนถ่านั่นเห็นทำที่มันแฝงอยู่ในทุกขนะ์นะจิตเราก็สามารถจะเป็นอิสระจากความทุกข์ไดนะ้คือทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์นะอันนี้ทําได้นะแล้วเราจะเห็นได้อย่างไรนะก็ต้องเห็นได้ด้วยสติเป็นเบื้องต้น